ท่ดีมากเขาก็าเห็นท่ามชั่วมากเข้าก็เห็นหมดไปข่านวบ่าท่ามดีท่ามชั่วมากเข้าก็เห็นคือการขับพ่นทั่วไปคืบอบวชพิษกันนะข่านท่ามชั่วมากก็ไปคากูคาคนเขาอจับเข้อคุกเป็นหมดละปะ น, น้ามโดยเฮ็ดกินบ้านกินเมืองจริงๆโดยเฮ็ดแนวจริงที่มันบอดีมากๆกป็นอะไรเขาก็ดูถูกข่นค้นที่เฮ็ดดีมากๆเป็นอะไดเฮ็ด ทำให้บัณฑเมื่อลมเย็นเป็นสุขแนะนําสั่งสอนมีความสามารถในการแนะนําในการเป็นอยู่ในการทุกอย่างที่คบนหูกับแนะนําสอนในคนหูในท่านที่ถูกต้องอยู่เย็นเป็นสุขอันนั้นแปลว่าคนทําทั้งดีห้าคงคนทําทั้งดีเป็นไรเป็นที่ยกย่องนับถือของคนทั้งหลายคนทําทั้งชัวจะเป็นทีตํมนิในจิตในใจของคนทั้งหลาย อันนี้คือเขาเห็นอยู่ในโลกวระหานี่ไปปรโลกพ่ายผากักนาคข้นที่ทํากรรมชั่วกรรมชัว่วจะพักหลันไปตกนรกมกใหม่ตามนรกหลุมต่างๆหรือเป็นเปรตจากนั้นก็นเป็นชัดจิตจชาฑ น, นาน้าชนิดอย่างที่พวกเราเห็นหมูหมากาไกสั่งหมางวว่วงควายสัรพสัตทั้งหลายล้วนแล้วแต่ออกจากวิญ ญ, ญาณของคนออกจากวิญ ญ, ญาณของสัพพสัตทั้งหลายทั้งมด ปานนีูดที่ถ้ามคุณงามความดีออกจากมนุษย์ไปก็มาเกิดเป็นมนุษย์อเอกพอมาเกิดเป็นมนุษย์ออกจากมนุษย์แล้วสูงกว่าน่ะเป็นภูมิภูมิมะลุ ค, คะเท ว, วดาภูมิมะเท ว, วดาอาการสถานเท ว, วดาเท ว, วดาสั่นต่างๆจนหอดพร้อมออกจากพร้อมก็ไปสวรรค์หรือว่าไปตา ม, มักผลนิพพาน สโสดาปฏิมักโซดาปฏิผลชักกท่าข้ามีมักมีผลกน่าข้ามมรรค็น่าขยผลออรหัตมักอรหัตผลเอมักซีผลซีขึ้นไปผุดวนันนี้ไปอันไปว่าคุณนง่ามความดีขันหอดพระทหารไปว่าชุดยอดตัด ก, กิเลสราคะโทษสะโมหะได้เพราะนั่นพวกเฮาเลยย่งไปหาคืดเพียงสันสันว่าตายละโมบีผพไดมาบอกมากาว ตายแล้วศูนย์ตายแล้วมิดจีรีอยู่นั่นจีมิดจีรีใดจังไรพวกเครื่องมือห้างบอมีเครื่องมือห้างบอมีห้องสิวุจักใดจังไหร <Okay. S 1> คือกันกับาห้องบอมีวิทยุเาสิเปิดรับไดบอที่เขาเปิดในสถานีเปิดรับบอได์ขณะว่าห้ามีเครื่องมือเขาเปิดรับตามสถานีต่างๆได้อย่างพระพุทธเจ้าพระหันสาวก พระพุทธเจ้าเพิ่นจะประชุมสันนิบาตวันมาขาบูชาจะตั้งกฎหมายหรือว่าการตั้งกฎรัฐธรรมนูนปกครองพระสงฆ์วันเดือนสามเพ่นเพิ่นกระบอมีโทรศัพท์เพิ่นกระบอมีวิทยุสมัยนั้นเพิ่นกระคงจะส่งกระแสจิตกระแสใจของเพิ่นบอกกล่าวกันท่านเรานั่นก็ได้รับ มาพระพุทธเจ้ามีพุทธประสงค์จะต้องมีการประชุมปีหนึ่งม่สมัยหนึ่งมีครั้งหนึ่งจะต้องมีการประชุมกันการล้วนแล้วแต่เป็นพระอราหารรันต์พันสองร้ยห้าสิบรูปมาประชุมกันตอนบ่ายอันนั้นก็โดยเทวบุเรนิมตนทรงคนไปนิมตนของเราไปต่างคงต่างมาเองโดยอัตโนมัติอันนี้ก็คือทรงกระแสทางคิตใจไปอั น, นั้นพ้นมีเครื่องมือ แล้วตอนที่พระพุทธเจ้าจะปรินีพานในวันเดือนหกเพนธพระสงฆ์ทั้งหลายก็งหอมหลอมพระพุทธเจ้าหารอยกว่าองค์มั่นราักษ า, ศาเกิดจูดข้างนอกวันนี้พระสงฆ์ทั้งหลายก็พ่อหอมหลอมพระพุทธเจ้าก็บอกว่าจนสวาง เ, าเราจะถิ่งขันปรินิพานแล้วจะบ่มากเกิดในโลกเป็นอนันตาการ จะบรมาเวียนไหวตายเกิดอีกอันนี้คือพระพุทธเจ้าบอกสั่งจากนั่นก็คนก็นก บ, บอกว่าเออเป็นคำว่าจะขั้มสุดท้า ย, ยานะไปว่าจะครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้ า, าว่าขยะวยธรรมมาสร้างฆ่าราอัปปมาเดนะสั้างปาเดทาขอท่านทั้งหลายสันขานทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงบนวานระ่างกายของข้าเป็นของบะเทียงเนะ้อจะตั้งอยู่ในความประมาท ตรงย่างประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้ อ, อื่นให้ถึงพร้อมให้ค่ายกับร่างกายสังขารเป็นของบ่เทียงจกักสิลมจิตตายเมื่อใดเข้าสิปะหานอนอกนอนใจกับร่างกายของเขา น, บนนะ่บ่อใดเนาะอีกสักมือหนึ่งวันดีขึ้นดีวันชัวขึ้นชัวประมือนวันดีขึ้นดีแล้วว่า่วันชัวขึ้นซัวน่ยอาจจะเขาเอามา ถ, ถึงเข้าพวกเข้าก็จะได้ ล่าโลกไปแล้วก็พ้องกันยั่งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อืน่นประโยชน์ตนก็คืออย่างก็คือนี่แหละทํามาหาเลี่ยงชีพเป็นเบื้องตน้นอย่าขี่เกียร์ขี่คันพยายามเสาะแสวงหาทรัพย์สมบัติในทางที่ถูกต้องอย่าไปคดไปโกงไปปนไปขีดผู้อืน่นแต่ว่าหาเดชความถูกต้องเป็นธรรมในการเป็นอยู่ของตน ประโยชน์ตนจากนั้นก็ไหวพระสวดมนต์เจาะแสวงหาผลทั้งพะผู้ขานี่พอมันเกิดมาเลยชาติเดียวยแลว้ิตายแล้วสูญพอแม่ได้ตายแล้วเกิดอีกเหตุอย่างไรผู้ขาไปทั้งหนาผู้ขาสิสิยูแบบไรสิเห็ุแบบไรตั้งสมบุญกุศลแบบไรอย่างที่พระพุทธเจ้าเพนบอกเราลุกซิทของเพินร์อพอของช่างท่อง ในกุงราชจะคือพ่อช่างทองในกรุงราชจะคือเขามาหาพระพุทธเจ้ากรุกชัยพระนิมนต์พระพุทธเจ้ า, ามามฉันพัฒหารในบ้านของนายช่างทองแต่ว่านายช่างท่องน่ยพ่อของเพลิ่มบ่ค่อยขอเขาวัดเขว้าวนะไปเออคนห่อกระยังสันแ่ะลูกผ้าเขาพ่อพวกเขาเนี่ไปทางลรุกชัยเนี่ยไปได้ฟังเทศฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วโอ้เกิดชัดท่าเหลื่อมใส เหตุอย่างไดเนาะพอจะได้ฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมของ พ, พุทธเจ้าเนาะสีเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเยลูกที่ดีต้องเป็นทั้งสั้นล่ละให้ข้าว่าไปเจอซึ่งที่ดีแล้วก็จรเห็นพอเป็นมิจฉาทิฏฐิเดินไปได้ทั้งที่พอถูกต้องตั้งลูกใช่เนี่ก็เลยนิมนต์พระพุทธเจ้าขับพระสงฆ์กระโงจะบอนิมนต์หลายแล้ววะตามกำลังของตนที่จะรับได้นิมนต์คำว่าฉันในวันช่างท่อง พอพโตองค์ฉันพัทหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนายช่างท่องที่เป็นลูกชายก็เชิญพอพี่นองทั้งหลายเขามารับโอวาดจากพระ พ, พ, พุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ลุยแหละเพิ่นมาฉันข้าวเนี่ยจะมาโปรดไัยเพิ่นก็มาโปรดพอของนายช่างท่องจุดทัระสงของเพิน่นพระพุทธเจ้าไปใส่เพิ่นต้องเล่งเป้าหมายเจ้าก่อนเดชบอมแมนเพิน่นจะเล่งใส่เงินใส่ท่องใส่จตุปัจจัยบอมแมนเดอ เพื่อนเร่งด้านคิดใจเพื่อนเร่งมาไปนี่ที่ได้ประโยชน์อย่างแน่สาหรับผู้ที่จะมาเกี่ยวของผู้ที่จะมาฟั่งโอวาดจากพระพุทธเจ้าจากพระองค์เพื่อนก็มองเห็นว่าพระม์ที่เป็นจกพอจ่อจกของบานเขาจะได้รับโอวาดแล้วเขาจะรูดแจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงเขาจะลดทิฏฐิมณะเขาลงพระพุทธเจ้าจึงอุตส่าห์มาฉันพัะตาหารในบานเขาก็าพริมกรพรบพระสงฆ์ พ่อมาชันพเพลิเพลินเรียบร้อยแล้วหัวหน้านด้ช่างท่องกใหนบอกพอพี่น้องพ่อแม่น่นไปเอามาฟังโอวัตพระพุทธเจ้าก็บอกให้ฟังเทศให้ฟังแต่เป็นทีขอสังเกตขอหนึ่งคือขึ้นเตือนขั้งแรกพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนพร้ามคือพร้ามก็คือเป็นหัวหนา้าที่เป็นพอนะ่อเนี่ยดูก่อนโยมว่างกันนะว่างกันนะ ดูก่อนพอออกเหมือนกันนะคนละไปพอออกไม่ออกเหมือนันนะอันนี้เป็นวันดูก่อนพรามเนี่ยพรามก็คือเป็นหัวหนา้าขอบขัวนั่นคนลไปเป็นเป็นพ่อของเจ้าของร้านท่องที่นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แบบสดๆดทั้งนั้นไปพอลูกชายเนี่ยเป็นพระโสดาบันนะเด้แต่ยังพอเนี่ยเป็นปุฎูชนโยนไปอยากจะให้พอเน่ยได้รับอวาตจากพระพุทธเจ้ารูดแจ้งเข็นจริงมั้ยล่ะไป พระพุทธเจ้ามาฉันพัะทหารเสี่ยและปกฏไข่โอวัตรดูก้อนพร้ามพร้มได้เตรียมพอ่อไม่ได้ยังสเสบียงถ้าว่าพร้มพรท่านเตียวพอ่อไม่เตรียมพอ่อไม่เด้อท่านจะได้เดินทางไกลแท้ๆได้วท่านจะได้เดินทางต่อไปในอนาคตเนี่ยท่านว่าเฮ้าบ่อน้มีสเสบียงเดินทางล่องเท้าเฮ้าพรท่านมีเสือพาเฮ้าพรท่านมี เงืนเข่าป่ะทันมีในกระเป๋าพวกกลมพวกอุปกรณ์ในการเดินทางเข่าบะมีในการเดินทางไปของเข่านี่ต้องลําบากแน่นอนเนาะทาว่าเข่าเตรียมพร้อมในการเดินทางเข่าจะได้รับความสะดวกสบายและก็เข่าได้ว่างแผนไม่ว่าเมื่อการเดินทางเข่าจะไปผักใสเข่าก็ต้องได้คิดไว้อีกค้านว่าไปแบบปล้าจําจาไปจักทั้งทิศ ท, ทางที่ไปอ น, นันกระทุกอีกเด้เพราะฉะนั้นให้เบิ้งจบของ บังสังเกตบงังเนอะเงาสีบอ๊อบไปใส่งเงาสียูนี่มันบดไอยูเลยต้องเดินทางแน่นะเอะอันนี้พราะผู้ใหญเจ้าสอนสอนผ้ามผู้นั้นผ้ามเตัวนักรก็ฟัง่งพ่อฟั่งเสร็จแล้วปฎิการเตรียมตัว น, นคืออย่างการเตรียมตัวนี่ยที่จะเดินทางที่จะเตรียมสับสมบัติใส่จุกของคืออย่างหาท่านเนอะ ยาประมาทท่านะคือการให้ทำปุ่นทำท่านให้อภัยยาท่านให้ทำมาท่านสรุปเลยให้มีจิตใจกว้างขวางมีการเสียสละอย่าไปขีตนี้ที่เหนียวจนเกินไปเนอะให้หูจักแบงปันให้พี่ให้น้องให้พ่อให้แม่ให้เข่ารบบิดาบ้านดาของเจ้าของเรียกว่าให้แบงปันลูกปั่นให้เก็บใบใช่ให้แบงให้ปั่นอย่าไปเก็บทั้งหมดอย่าไปใจทั้งหมด ให้หูจักในการแบ่งปันอันนี้คือท่านะการอยู่ร่วมกันเสินคือคือรักษากายว่าจะของเจ้า ข, ของหมีสินหาเนอะคนมีสินหานี่ยปิดอบัยวุฒิพุ่มบกขาผู้อื่นบกขโมยของผู้อื่นบกพบขึ้นผิดในกามสามีพันยา่นาของผู้อืนอ่นถูกเต่าของผู้อื่นย่าขี่ตัวย่า ก, กินเหล่านะ แต่คนกินเหล่าค้นขาดสติแล้วมันเหตดไปทั่ว เ, เห็ุเน่าทิงที่บุคคลเห็ุคิดในค้นทิ้งที่บุคลคลคิดพูดทิ่งในคนที่บุคคพูดคนกินเหล่าคนขาดสติพราะนั่นยาอยา่าหายอยู่ตั้งอยู่ในความความมัวเมาเนาะอย่าให้ขาดสตินะอันนี้ละ่ะคานาวาเฮารักษาใดทั้งหาคอนี่ยแหะเป็นการสร้างสมเป็นการเตรียมพร้อมละบาดเนี่ยตั้งอยู่ในความบบประม า, าทไปจากนั้นขยภาวหน้าเนาะ ให้คิดเพื่อเจ้าของนะเนอะนอกูนี่จะตายจะแท้เด้วายูุถึงร้อยปีเด้แล้วกูไปแล้วกูสิไปใส่ให้พาวนาดดเนอให้พาวนาเนี่ยนะ่ะกำหนดล่มหายใจเข่าหายใจออกให้พิจารณาเพิงมรณะนุสิติให้คิดถึงว่งาเจ้าของเอีจะต้องล่มหายตายจากโลกนี้แน่นอนจากนั้นกระซิ่งไหนจะเป็นคุณง่ามความดีเข้ากับพยายามเตรียมข้อมเอาไว้ สร้างสมบุญกุศลเอาไว้และใครพ่อวนาเบิ้งใจของเจ้าของเอาไว้เบิ้งใจของเจ้าของใจของข้อคิดเรื่องใดโลบจากไดของผู้อื่นบอพยาบาทปองไยเขาบอเห็นพิษจากทําน่องคล้องทําบอจังสี่หละให้เบิง้งให้พ่าวนาเบิ้งใจเจ้าของนี่แหละคือความเตรียมพร้อมนี่แหละคือการสร้างสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเพราะพระพุทธเจ้าเพิ่งกสอนสอนให้พร่ำผู้นั้นมาโนไปเบิ้งใจเจ้าของ ให้รู้ซึกเจ้าของจากนั้นภาพพนังก็เลยได้สําเร็จพระโสดาบันพอได้คิดติดตามในทําคําสังสอนของพระพุทธเจ้ารู้แจ้งเห็นจริงตามพัออกไปนี่แหละอันนี้เป็ว่าลูกที่ดีพอเป็นมิจฉาทิฐิผู้ลูกก็บริหนึ่งน้อนใจผูกลูกเป็นช่างท่องกันไปเมื่อได้ไปฟังถ้ำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากันกับมาแนะนําพ่อแม่อีกนิมนต์พระพุทธเจ้ามาเทศให้ฟังอีกพระพุทธเจ้าก็มาเทศให้ฟังอีกจนได้สําเร็จ ให้ครอบครัวของจังท่องกับพี่ความสงบร่มเย็นเป็นสุกนี่แหละค้าว่าพระพุทธเจ้าเตือนว่ายาประมาทเถอเข้าจะเข้าจะต้องเดินทางไกลนะคือเดินทางไกลจุดนี้คืออย่างย่างพวกเข้าหลวงพอก็เลยเปรียบเทียบว่านี่แหละคนเข้าเกิดมาเนี่ยยมบระทุดเ ข, เขาเขียนวีซ่าไปหายแล้วเดชเขียนวีซ่าไปหายแล้วทำไปออกวีซ่าไปหายแล้วแต่เข้ามาเกิดน่ายนันนั่งนี่ ไปเกิดแลนะเนอะเดี๋ยวอีกมือดีขึ้นดียิดีส่งวีซ่าไปให้พวกเข้ากับม้าแล้วปะเนี้ยมาทำมา้าค้าขายเขางมาในประเทศไทยเอานไปเขามา้าําประเทศไทย น, นั่นแหละมาทมาําม้าค้าขายหาเงินหาค้ำทรัพย์สมบัติขั้นพลอยขี่ข้านกันอยู่แบบขี่ข้านเอาไปอยู่แบบประมาทเยาวานขนาดว่าพวกใหญ่ของม้าเขามาอยู่ เขามาเกิดแล้วก็ตั้ง อ, อกตั้งใจทํามะหาเหลี้ยงชีพสร้างสมบุรณ์กุศลหาสเสบียงเดินทางเพื่อจะเดินทางต่อไปผ่ายภาคหนืออีกเฮาต้องคิดว่าเออวีซ่าจะต้องเขาจะต้องส่งมาใหนะ้เนออีกจะต้องมัดละวีซ่าของเฮามันจะเป็นสักปีสักเดือนกขบโบหุงละเขาเสีให้สักมื่นเซกเวีนเฮาเขบโบหุงละนี่แหละให้เฮาคิดไว้ ย, ยุเสมอบานนี่มือดีขึ้นดีของเฮามันโบแ ม, มนยู่บ้านอยู่เฮาได้บาทเนี่ บัตรดยู่ห้องบอมแมนนเน๊มือดีขึ้นดีวีซ่าส่งเขามาหอดเท้าบาตรเท้าก็ได้รับวีซศศ่าอ่าพอได้รับวีซ่าก็ต่างข้นต่างไปแล้วบัตรเนี่ยพ่อก็ไปท่านหนึ่งแม่ก็ไปท่านต่างข้นต่างไปว่าเอาไปไปนั่มต่างหากคนออกไปพราะมาผู้เดียวเด้มาผู้เดียวจะเอาไปไปนั่มบัตเนี้มาผู้เดียวก็ไปผู้เดียวเนีพอ ไ, ได้รับมานี่ยก็ น, นั่นแหละฮพยายาย่อมมาถูดครับมารับไปเลยวันออกไป พวกเขาก็ทรงขึ้นเครื่องอันไปทรงขึ้นเม็นะี่คือทรงขึ้นเครื่องะจากนั้นก็เผากันละมันี้วิญญาณก็ตตางคนต่างไปลาบละมันจากที่ไปใส่ประหะูถ้าว่าวิญญาณดวงนั่นมีบุญกุศลที่ท่องสมดีแล้วบุญกุศลเสียเขาสู่จิตใจของดวงวิญญาณ น, นั่นดวงวิญญาณ น, น่นใจดวงนั่นกันน่นแหละไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นอย่างตําเปิดมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่หล่ลําร่ย อมีเงื่อนข้ามสับสมบัติถ้าว่าออกจากมนุษย์ทำว่าเกินความมนุษย์ทุนของเข้าสูงอ่ะกับไปสู่สวรรค์พบพุ่มต่างๆจนถึงพร่มจนถึงเป็นพระอรหันต์ได้วันออกไปอันนี้ก็คือเข้าได้รับวิสาเข้าเดินทางคันว่าเข้าบ่ได้เตรียมพร้อมเป็นบ่ละเข้าบ่าท่านเตรียมพร้อมมากกินเหล้าเมายาสมเล่เท่มเมาบอบ่ได สั่งคุณง้ามความดีเพราะตายไปแล้วนั่นแหละบาล้านเจ้ามีเงินในกระเป๋าเจ้ามีเงินบอ่บอแล้วไปไปยุ่นเขาเขาจว่าไปบา้านไปเกิดเป็นสัตว์ที่รชาชันก็ยังดีอยู่เป็นเกิดเป็นสัตว์แต่ไปเป็นเปรตแห้งทุกข์กว่าสัตว์อีกออกจากทุกไปตกนรกอีกบาปกรรมที่เฮาได้กระทาไว้เพราะเฮาบ่เชื่อได้เฮาบ่เชื่อว่าบาปบุญคุณโทษมีเฮาก็เลยทํไยาไปเรื่อยกันอนไปผลที่ทุกข์กันน่ะมันมีเด้บาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์มีเด้ทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว พระพุทธเจ้าเพิ่นเบิงไปแล้วเห็นไปแล้วรู้ไปแล้วพ่อแม่กูบาอาจารย์เพิ่งกระรูวแล้วว่าทําดีได้ดีถําชั่วได้ชั่วเพราะฉนั้นพวกเข้าเสือให้เสือพระพุทธเจ้าเสือพ่อแม่กูบาอาจารย์ที่พระพุทธเจ้าเพิ่นพิสูจน์มือแรกที่เพิ่นนําที่เพิ่นนั่มถ้ำํามทางสอนมาบอกประกาศให้พวกเข้าฟังในคืนนี่แหละวันเดือนหกเพ่นเลยพระพุทธเจ้านั่งอยู่คนเงาต้นโพ้นะ อยู่เมืองอินเดียพวกเขากับบางคนก็คงเคยไปแล้วไอมที่พระพุทธเจ้านางตัชลูนั่นแหละพระพุทธเจ้านั่งอยู่เหงาโพนั่งไปเนี่เหมือนแล้งวันมืดสิบสี่ค่ำสิบสี่ค่าเดือนหกเอาไนโสธิยะนั่มหยาค่ า, านี่ยแปดกับมือผ่านมากก็เลยเห็นคิทธะพนังอยู่ตามลาพังก็จะนั่งเหงาโพเพวกเห็นอยู่ตัวเหาโพเนาะ หากมันก่ลร่อยๆมัลุ่มปูมปั๊มลงไป น, ส, นสุทธิยะสิทธัตถะนี่เพิ่นเป็นเสือกษัตริย์เพิ่นถืว่านั่งสี่สิบนั่นเกินไปมั้งไนะนสุธยะก็เป็นขนเจ้าให้เจ้าหน้านะ่ะก็เลยหาบหยา่ามากจะไปมุ่งบ้านนะมากก็เลยเอาหม้อไผ่เพิ่นยหยาบห้อา่าอ้สิธัตถะเพิ่นยังพท่านเนเป็นพระพุทธเจ้าเด้เพิ่นก็เอาในแต่หาค่าแปดกรรมมือนออไปมาเกียลง เงาต้นพ่อพ่อเกียร์เซตเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็ขึ้นไปนั่งพ่อไปนั่งเงาต้นพ่อใกล้สิท่ำแลยหล่ะพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินหมดไปเพิ่นพูดเป็นภาษาบาลีเพิ่นว่าพระอาทิตย์ยังไม่อัชดงไปอ่าอัชดงคือตกดินหมดไปพระอาทิตย์ยังพรท่านตกดินหมให้ค่ายเับว่ากําลังสิ่รับเขารับปางเสร็ล่ะกําลังพราพูดให้เจ้าขึ้นไปนั่งบทอาสนะ หันนาไปทางทิศตะวันออกเพิ่งก it wow ็ว่าขาปานันเด้พ่อนั่งหันนาไปทางตะวันออกหรอกนั่งขาขวาทับขาซ้ายอย่างพระประธานเฮานั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงบวมเป็นหมูบวมเป็นไงยหลังคนออะไปบวมเป็นนอนเอกเคนเอกคนออกไปขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย ทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหนะสติคือคือกำหนดลมหายใจเขา่าหายใจออกหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเขา้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกหายใจออกสันออกเย้าให้มีสติในลมหายใจเข่าออกนี่แหละแต่ว่าในช่วงนั่นบาดเนี่ยเพิินกัยกเป็นอุทธาหอนขืนมาให้พวกเข้าได้สังเกตพยามาเขาม้าล่าวี่เพิินบาดนี้ ว่าพระพุทธเจ้าจะได้ตัดสรู่ล่ะขึ้นนี่วันออไปพญามารก็หูวันไปพิมารล่งแกว่าพระพุทธเจ้ า, เ ด, า, า เ, ออเดินถูกทางละ่ะวันไปบ้านเดินถูกทางล้วพระพุทธเจ้าเดินแมนนะเดินถูกเ อ, อพญามารก็ไปมาลุ่มมาตุ่มคล้ายๆว่าให้พระพุทธเจ้าเออเข้าสูนิพ่านได้วันไปว่าให้ถึงมักถึงผลได้กันร่วมกันมากวันทั้งเสียนามารทั้งพญามารออทั้งลูกสาวมารวันไป นั่งตันหานั่งราคะนั่งอรดีนั่งตันหาก็คือการกรา ม, มาตันหานั่งาลาา่าขะมันเกิดดูในกิเลสความรักความไขนอนไปอพญาม่านมาลุ่มมาตุ่มเขามาพระพโพธิเจ้าเพลินกับนางอยูุ่ขคนตนโพ่อคนไปเพลินกับสู้ด้วยขันติถ้มของเพลินสัจธรถมของเพลินสัจสจะคือความจริง สัดจะอธิษฐานเไปอธิษฐานอธิษฐานบารมีสัมปะโนด้วยการสร้างสมบุญของข้าพเจ้ามาในอดีตแต่งแต่ลิเริ่ไในสร้างสมบารมีมากเพื่อจะหวังพุทธะขอให้บุญบารมีของข้าพเจ้าทั้งหมดมาซอยเด้อข้าวหนิเพิ่็จะว่ายังสั่นหรอวะเออทั้งสัดจาะอธิษฐานทั้งวิริยะขันติ แปลว่าบา ร, รมีสามสิบทัดวนห่าไปเอแต่ไม่จริงบา ร, รมีเนะีม่อยู่สิบทัดเด้ทัดไงวัน่งไปทัดกลางไม่อยู่สิบทัดทัดบริวารคืออีกสิบทัดคนหนึ่งไปร่วมแล้วบา ร, รมีสามสิบทัดทั้งเอกทั้งเอทั้งตีทั้งโท่นหนไปให้มาดร่วมซอยคาไปเจ้าเดอ้อพันว่างเท่ั้นแหละวันหนึ่อไบา ร, รมีทั้องวันหนึ่งไปมากกัมาสู่กับพยามา น, นพยมาม่านคืออย่าง การเท่าเปรียบเทียบไปคือพยามันไปคือใจของพระองค์นี่คิดไปในทั้งกิเลสราคะโทษสะโมหะแล้วคิดไปทั้งคิดไปทั้งโลกวนออกไปการข้องฉีบการค้องเลื่อนของเพินผลผนก็มีพอมีแม่เด้มีพอมีแม่มีสนมกำนั่นมีหลูกมีบริษัทมีบริว่านมีเงินข้ามรัพย์สมบัติจิตใจมันก็เกาะเกี่ยวเนียวนองไปหาสิ่งเล่านั้นวนออกไป พอไปกอ่อเกลียวเนียนนวงถึงสิงเหล่านั้นมันจิกเข่าสู้มักผลนิพพานใดจังไดบ่าเนี้ยมันคล้ายๆกับว่าชิงมือนั้นมันดึงไปเอยพอมันดึงไปเนี่ยแปลว่าเป็นพญาม่านเป็นพญาม่านดึงยิตใจของพระ อ, องค์เขาลงไปทางตำ่ำเพราะพระเถรองบอกว่าเข้าผ่านมาแล้วจุดนั้นแล้วเข้าจะไปลงไหลจุดนั่นใดจังใดเพราะเขาผ่านมาแล้วเอาข้าพเจ้าจะบอกคิดถึงมันอีกเอ พ, พราะพุทธเจ้าพยังว่าดูก่อรรามเอ่ยเลยเรารู้จักต้นเง่าของเจ้าแล้วเจ้าเนี่ยเกิดมาเพราะความดําริคํานึงถึงนั่นเองพระพุทธเจ้าพญาว่าเนี่อดูกรรรมเอ่ยัเจ้าเกิดขึ้นมาได้เพราะความดําริคํานึงถึงนั่นเองแต่บัดนี้เรารู้แล้วว่า การเกิดของเจ้าเกิดมาจากจุดนั้นเราจะไม่คำหนึงถึงเจ้าอีกต่อไปอันนี้แหละเมื่อพระพุทธเจ้าเพิ่นหูเดบันเรื่องเล่ามันเกิดมาจากใสพนเพินพ่นก็ตั้งจิตอธิษฐานยั้งแนวแน่พอในสุดพญาม่านทั้งหลายก็โดยพระบา ร, รมีของพระองค์ด้วยอนั่งทรณีบิดมวยผมเอพญาม่านทั้งหลายก็จมน้อจางหายไปหมด วนไปเอออันนี้แหละเป็นปุกะลาณิตปุคลาธิฐานถ้ำมาธิฐานถ้าเห็นว่าพวกเข้าคิดดูให้ดีนะจากนั้นพระองค์เขาคิดใจของพระองค์นั่งแน่วแน่พอมีคิด ต, ตั้งคิดอธิฐานเลยเด้บอกให้จิดใจแปรปวนไปทางอื่นเ่ะเด้มีความมุ่งมั่นเลยเดย้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับเจ้าของเลยเด้ในเมื่อมีสติสัมปชัญญะอยู่กับเจ้าของอย่างแนบแน่นแนบแน่นอยู่แล้วป่าเนี่ จิตใจนิ่งอยู่แล้วจิตพระองค์เขาเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเมื่อจิตเขาสู่ความสงบเป็นหนึ่งกระลึกชาติทุนหลังใดบัด น, น้อมไปในการระลึกชาติพราจิตเป็นหนึ่งน่นเองระลึกชาติทุนหลังใดปุพเพในว่าสานุสติยานกระลึกชาติผลหลังใดนี่แหละให้พวกเข้าศึกษาว่าตา ย, ะ ร, ยระโบสูตรวนออกไปพราะพรุทธเจ้าเพิ่นพิสูจ์มาแล้วเพิ่นพิสู์จังซี่วนออกไปเพิ่นพิสู์จังที่เพิ่นทีลงพรว่อฟังนี่แหละ นี่แหละพระพุทธเจ้าพิสูตลักสูตรตอนพิสูจนพระพุทธเจ้าพิสูจจังสี่เพราะฉนั้นเพื่นจังสอนบ่แม่พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่รีรับมองบ่เห็นต่างคนต่างคืดบแมแนเด้เพื่อนสอนมาหนึ่งสี่แหละพุทธประวัต claro ิพุทธแนวทางที่พระพุทธเจ้าพูนเขียนแผนที่ให้พวกเข้าเดินเพราะนั้นพวกเข้าสี่บ่เสือพระพุทธเจ้าบ่อเสือบ่เสือตายแล้วเกิดไผ่จุดบ้าบ่อบ่อเสือบาปบุญบ่อมีบ่อเสือ ค้ายๆกับพวกเข้าตาบอดทังสันต์บ่อเสือคนตาดีบ่เสือพระพุทธเจ้าคือคนตาบอดเออขั้นเขาสิจับเมื่อไปได้มานี้บ่อกูสะไปเองดอกเออไปเองจะไปหมองหันมันเป็นเหวเลยมันเป็นบ่อเฮ้ยบ่อไปยังมันบ่อมีดอกบ่อวายทั้งบ่อทั้งเหวเลยเออทั้งงูจงอางงูเห่ามันบริวาแล้วมันบริเลือกตาบอดไปหอดมันก็ต๊กเหวต๊บ่อตายอีดีแนวทำไง อ่าเพราะเหตุใดเพราะคนตาบอดใช้ไหมบริเลือกนใชบาปกรรมทั้งหลายอันนี้คือกันอ่าเพราะต๊ะไปแล้วหลงผู้จามบอกว่าน่นารกในเต็มบรรม่อเปลี่ยนด้ท่านภัยที่หเห็ุบาปกรรมพันธ้ก็ตามมาท่นน่ารกเต็มบ่เป็นสวรรค์ก็เต็มบ่เป็นอีกอย่บ่อมีทั้งเต็มสวรรค์กับพ่ออโยธันพ่อมที่จะรับคุณงามความดีของคนคนที่สร้างคุณงามความดีกับพ่อมที่จะรับน่ารกขึอกัน ผู้ผู้ใดจิทําความสัวไปอา้าวเปิดประตูรับอยู่เสมอแต่บางข้างกับางยุคบางสมัยก็นน่าลบกันแน่นวนลงไปบางข้างบางข้าวสวรรค์ก็เต็มแน่นขึ้นมาอุดหนาฟ้าขัางขึ้นมาเป็นบางยุคเป็นสมัยเป็นบางสมัยคณะว่ายุคใดสมัยใดคนตั้งอยู่ในความประมาทโสเสื้อบาปบสเสื้อบุญทําตามมัทยาใจทําตามความชอบใจของตนเอง ความชอบใจโดยมากมันไหลไปทางต่าเด้มันไหลไปทางกิเลสเลยชอบกินเหล่าเม้ายาสุรานารี่ผ้าซี่กิลาบัดก่อนออกไปแนวดายเปนสัวซาลาหมกมันขนมาใส่เจ้าของข้าวนั่นหรือไงนา่ารกหรือุ่นหนาฟ้าแข็ง ก, ก่อนออกไปเอออุ่นหนาฟ้าแข็งน่ารกกว่านะไปคานาวาจุกใดสมัยใดคนสร้างสมบุญกุศลรู้จักบาปบุญคุณโทษหูจักคุณบิดามาา่านดาคุณคูบาอาจารย์คุณพระพุพพทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ไวาพระรักษาศินภาวน่าให้ท่า น, นข้านั่นสวรรค์ก็อุ่นหนาฟ้าขัางขึ้นมาเออก็น่ารบก็นดูซึกว่าจ่อยโรค ไ, ไปเคนไปพค่อยนั้นน่ารกกับสวรรค์นี่ค่อยรับพวกข้าอยู่คานาว่าพวกข้าวิะเอาทางไดไปทางไหนได้ทั้งนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าเพิ่นเบิงแล้วคนไปเพิ่นหู้แล้วเพิ่นยังสอนแนะนําลูกหลานออกตนหยาดย่อมพุทธทบริษัทของพระพุทธเจ้าไปอย่าไปเหตุความชั่วด้ะ การเหตุความชัวนเนี่ยเนี่ยตายแล้วบ่ิสุทธ์เด๊ะตายแล้วมีนรกลองรับเด๊ะถาว่าปุริเหตุข้อนคุ้งามความดีเกิดสวรสดิลองรับอ่าสวัสดิมิกักสั่นชักสั่ น, นคนก็ บ, บอกไปมดัดไปนั่นพวกเข่าเออสีเสือหรือบัเสือก็เป็นนาทีของเข่าคือจังตาของเขามีสองขางหูของเขามีสองขางท่งนละ่ะแต่ว่าใจของเขามีดวงเดียวคานาวาเข่าสีเสือลดเอา้าผู้ขานิยานโง่เว้ย โบ่เฝ้าเสือ่อละวะเออแต่บ่เสือ่อแต่ว่าให้เข้าร่องเบังขาขวาทับขาสายมือขวาทับมือสายทำกายให้ตรงเอาสติอยู่กับเจ้าของกำหนดลมหายใจเขาออกให้มีสติสัมปะชัญญาพอให้คิดปุ่งในอดีตอดีตเมื่อวานพอต้องคิดถึงอนาคตมื่ออื่นพอต้องคิดถึงให้ยุคยึดใจอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี่เวลานี่คิดอยู่เดี๋ยวนี้บังคับให้อยู่กับเจ้าของเดียวนี่ นี่แหละเข้าบังคับได้จุดทีละละ่แล้วล่ะจิตต่อไปจิตของเข้าจะสง บ, บานเพราะสงบก็ไปแล้วจะหู้ได้โดยตนเองเอธรรมะเป็นปัจจิตตังดเดสอันต้องบอกผู้ใดบอกบอกมาบอกมาเกลามาสอนบาตรเข้าจะหู้ได้โดยตนเองถ้าเข้าเหตุจังสัน่นบาตรในเข้าความเสื่อของเขามันมาเองคือเกิดการเข้าไปกินเกลือกินผิดยังสัน่นคือเข้าไปจับไฟยังสัน่นไปจับไฟอบอกว่า ไฟมันเย็นตัวเสรนอ้เข้ากับหูหลุดแล้วลงไปไฟมันฮ้อนลงไปไอ้น้ําแข็งมันฮ้อนได้เหรอเสรนว้โบแมนน้าแข็งในเย็นเฮ้เข้ากับหูจักแล้วอันนี้คือการคันว่าเข้าในสัมผัสด้วยตนเองธรรมะปัจจตังธรรมะเป็นปัจจตังผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองในสัมผัสเองการผู้อื่นบอกผู้อื่นกล่าวอังศีกก็เป็นเรื่องของผู้อื่นคือ ก, กันกับเข้า ว่าเรื่องกินเขานะั่นะอยังไวหลังเขาบอกว่าถ้าว่าพวกเราพูดแต่เรื่องอกินเขา่าท่านอาหารจังสันท่านอาหารจังสีมันก็บรบระดับความหิวได้ชั้นใดคันาว่าเฮ้าบอลลุมือปฏิบัติก็บรได้รับความรู้ความฉลาดชั้นนั้นอันนี้คือกันนะั่นแหะคันว่าเฮ้ามีิจะว่าเรื่องอาหารเฮ้าบริได้กินเขาขนำไป มันจะระ ง, งับความหิวของเห่าใดจังไดคณะว่าเห่าว่าเลืองอาหารกรเฮ็ดอาหารมา ก, กินพร้อมนั่นแหละมันระ ง, งับความหิวของเห่าใดคณะว่ามีแต่เบาซื้อโบได้เลยอันนี้คือกันนั่นแหละที่ลกพอบบอกให้ฟังส่จะเป็นการแนะแนว่วสี่แผนที่เห็นพ่กเขาพวกเข้าฟั่งสี่แผนที่เห้นเข้าบึ ง, บงจังสี่จังสี่ได้หมูพวกเพื่อนได้จังสี่จังสี่ได้ออกต้นญยาดย่อมเลย เวลาเาหน้าเฮจังสี่เอี่ยพบคนเจ้าคน่าจังซี่เนี่ ย, ยขันว่าพวกเข้าได้ยินแล้วก็เฉยเพลเพยยังโบเซื่ออีกตั้งหากคือกันกับนํำชาแน่จานนําชาในจานสีน่ใบทีหนึ่งความปากงุ้มก้นวนไปความปากใส่จานใบเทน้ำชาใส่ปลาได้มันก็ บ, บวเขา่าเพราเหตุได้มัดมันบ้ว ง, งายปากเคืออันนี้คือคนบบเซื่อ ข้านว่ามาฟังหลงวงพ่อเบาคงซี่หลวงพ่ออินเบาคงซี่แล้วเ า, าเส้นกับโเซือโบเซือโบเซือในใจพ่อหน่มไปมันก็บอกเกิดประโยชน์พอเห็นอะไรพ่อโบเซือนํำซา ถ, ถ้วยที่สองหงายแก้วแต่ก้นมันหัวเทนํำซาไปพวกเข้านางฟัง่งฟังไปวัดฟั่งแล้วก็แล้วไปฟังทะลุหูซ้ายทะลุหูขวาก็าไ่ได้คิดในอ่านในไตรในตองตามพ่อหลวงพ่ออินเว้าแล้วก็แล้วไปพ่อหนุ่ไมออไปวัน ไ, ได้นําไปประพฤติธปฏิบัติอันนั้นไปวา่านําซา แกวหัวนำนำซ่าขนหัวเอแก้วซ่าขนหัวเทใส่แล้วก็ บ, บอกขังหมดไปพ่อฟังไปแล้วก็ซาทุไดบุญแล้วก็แล้วว่ได้คิดว่าเออที่เพิ่เว้าพนแนะนําสั่งสอนไปนั้นน้ำมาประพฤติปฏิบัติบางทีเป็นจังไดพอเหตุว่าพวกพุทธเจ้าเพณว่าบอกว่าเหยื่อเลยะไรเาแล้ว่าเราเหื่อเนียพวกพุทธเจ้ า, จ า, จาการล่ า, รามช่อล่ามฉุสูตรที่พวกพวกพุทธเจ้าไปเทศนาวาการให้ ช่ากาลามะชนฟัง่งอย่าไปเชื่อตามที่คนผู้เถาผู้แก่ถือมาเด้ออย่าไปเชื่อตามตำรับตำล่าเน้ออย่าไปเชื่อตามบุคคลที่คนเชื่อถือใดเบาเด้อให้น้ำมาพิจนารณาจากคอนให้น้ำมาประพฤติปฏิบัติจคอนเอ่ยอย่างเปิดถามภาษาริบุตรขึ้นกันสาริบุตรที่เล่าสถากโรพูดให้ท่านฟัง่งในท่านเชื่อไหมพวกท่านเชื่อไหมยั่งพระเจ้าข่า ก็ว่าขาพระองค์ยังงวได้นําไปประพฤติปฏิบัติทดสอบทดลองดูก่อนทางวได้นําไปประพฤติปฏิบัติทดสอบทดลองดูแล้วได้รับผลแหละขาพระองค์จึงจะเชื่อพระเจ้าค่ะเออต้องเป็นยังสัตว์เน่อันนี้คือกันที่หลวงพ่อได้บอกให้พวกเข้านี่คือกันบ่แมนให้เชื่อเลยว่าออกไปให้นําไปปฏิบัติจะก่อนเบิงวัดแมนบ่ทํากีดให้สงบแล้วมันเป็นยังไ อ, อบอ่แมนจีน้าซ่าสวยที่สองน้าซ่าแก้วแตกก่นหัว นำ้ำชาถสวยที่สามบาทเนี่ยนำ้ำชาเต็มแก้วลงไปมันน้ำเต็มแก้วแล้วมันเทพเขาบัไดเพรอะไรมันได้สีหล่นออกไปเทพอะไดมันก็บอ่อเขา่าอันนี้เออนักปาดอาจารย์เออขี่ข อ, อกทั้งหลายกิเลสเต็มหัวว่าตัวรูอันนี้มีมากเพราะโนไปอันนี้แปลว่านักปาดฮ <c oughs> นักเปียกนักปาดพรอนนะโนไป แต่ว่ารู้จริงก็ต้องตัดกิเลสในภายในใจของเจ้าของให้เมดกิเลสราคะโทษสะโมหะอนันตเปรวันตปราถเเทหนว่ า, า, วามั่นย่งบัวท่านขนาดนั้นแปลว่ามันเต็มโดยกิเลสหรือมันเต็มโดยธรรมสิ่งมบนห้าก็ต้องวิเคราะห์ในใจของห้าอีกขันว่าเต็มด้วยธรรมความบริสุทธิ์รุ่ดผลอันา น, านั้นตนาไวใจน่าเชื่อถือหนานอนใจกับตัวเองขันว่ากิเลสจังบื้อขึ้นบื้อลง บางที่ก็โทษสะขื้นมาบางที่ก็ลา่าคะาขืนมาบางที่โลบโคตรหลงขืนมาในจิตในใจเขาสิปฏิเสธธรรมะเออนยอมรับอย่างเลยมันเป็นทิฏฐิมานะทั้งหมดเป็ว่าทธรชาติเต็มแกลวบ่นยอมรับความดีความชั่วคณะว่าภูดื่นแนะ น, นําเขามาเอ้ยหูมละละัดล้วล่ะไปแต่ว่าหูกิเลสในหัวใจจุกของมันยังย่งยงอยู่เด้ ยาำโลภตาเหลือกขึ้นมาย่ำโกรธปรตาเหลือขึ้นมากขึ้นกันย่ำรักกันขึ้นกันเฮ้นี่ยสิ่งเราหนีมันออกไปอันนี้นำชาติเต็มแก้วให้พวกเข้าเบิ้องใจเจ้าของเลยบูดทั้งนี้ทั้งนั้นให้เบิ้งเจ้าของมนออกไปบานี้นําชาบข่องแก้วป่ะเนี้่ยนำชาบบ่มีหนำมันออกไปแก้วชาบบ่มีหนำแต่ว่างายอันนี้พร้อมที่จะรับแนวความคิดของพ่อแม่คู่บ้านจานเด็กหน่อยหัวทอกําปัน่นกะฟัง่งขันฟั่งว่ามีเหตุมีผล ยังพระเถระในขังพระพุทธเจ้าพระปุถิลัดล้านเปาพระอรหันต์ทั้งหลายคนว่าให้ไปหาเนี่ยหน่อยไปว่าท่นไปศึกษากันเนี่ยหน่อยไปทั้งที่เน้นหน่อยอายุเจ็ดขวบพระมาหาเถระอายุเท่าไรคนก็นตามหลังเนี่ยน่อยสอนผมด้วยนะเนี่ยหน่อยว่าอาจารย์สีเสือบอาสันคนว่าเนี่หน่อยว่ะเนี่ยหน่อยอาจารย์สีเสือบอเสือผมบอสอ่าเน้่หน่อยว่าอยังก็เสือมดแล้ว ขั้นสอนเป็นถ้ำเอาขั้นเสื่อหลีกันน้ำก้นผมว่าไงเนียนหน่อยกผ้าน้ำให้พระมหาเทระน้ําคนอยางน้าก้นพอน้าก้นไปยังไออาจารย์เข่าปลาไปว่าไงชี้ให้อาจารย์เข่าปลาอาจารย์ก็ยางเข่าปลาขวับฟางลงไปเชื่อเดียวเนียนหน่อยบอกยางเสื่อมัดก้นลงไปอาารย์อาจารย์ออกมาออกมาพอยางไปอีกไปเห็นสะน้ำอีกไปอาจารย์ล่งน้ําไปว่าไง อาจารย์ก็ลงอีกโฉมโฉงไปโอ้อาจารย์อาจย์ผ่าสังขาผ่าจีวรคุ้มพร้อมเดะเอออาจารย์ให้อาจารย์ลงน้ไปอาจารย์ลงน้ำมันไปยังโฉมโฉมโฉมลงไปอาจารย์ให้่ขึ้นมากขึ้นมากไเดี๋ยวผ่าสีเปียกคนน่อาจารย์ก็ขึ้นมากอาจารย์ก็บันทีคิดยังสักคาว่าเน่นหน่อยเป็นยังยังหลดเขาปลาเป็นอย่างยังหาลงน้ํมันลงไปบั่ขึ้นเพราเชื้อไลยเน่นน่อยเอออาจารย์นี่ยเสื่อเหาคักเลยไปผลเป็นพลทหารเนี่ยแน่นหน่อยมันลงไป เออพระเทเราเนี่เป็นปุตุชนอยู่เด้เน้นหน่อยเป็นพระหรหันต์เป็นหูจักเด้โอ อ, อาจารย์นี่เสื้อลงไปบาตรนาเพื่นก็เอ้ามา น, นั่งนั่งเน้นหอยกันเอออาจารย์เดี๋ยวผมสีเว่าอย่างให้ฟังเนอะให้อาจารย์สังเกตคำว่าของผมเนอะอาจารย์เนอะมีจอมปลวกอยู่จอมหนึ่งมีพ่นอยู่พ่นหนึ่งวันออกไปแล้วมีหู้อยู่หาหกหูอยู่หัน หาหกหูเนะ่ยมีเหี่ยใหญ่อยู่ตัวหนึง่งมีเหี่ยอยู่ตัวหนึ่งอยู่ในจอมปวกนะบาดในเท้าสิจับเหี่ยตัวนั้นเทาทีจับจังใดเท้าทีจับใดขั้นที่คุดหูหนึ่งออกไปมันก็จะแรงออกหูหนึง่งเพราะนั่นให้อาจารย์เอาปุ่มใบใหม่ฝดใบไหม่อัดหูมันไว้แล้วก็คุดหูใดหูหนึงหูดักมันมาเถอะคุดลงไปลุกไปเหี่ยมันก็จะยงอยู่ลงในงหูดักนะจับเหี่ยขึ้นมาใดเท่านั้นอาจารย์ แอร์จับเหี่ยขึ้นมาได้อาจารย์สิดพ่อเข้าใจบผมที่ผมเบาเนี่ยอาจารย์ปรากฏของไในเลี้ยนพระไตรปิฎกมาแล้วเด้่ยว้ายขับขับขับคนมาครับขับขับผมผูกครับท่านสมเบูรณ์ท่านสมบูนครับที่แนะนําผมผมผูกครับเออไปไปเอาไปปฏิบัติไปหันหลังให้กันเลยมันก็เป็นหนังพ่อหัวหน้าแหละจอมปวกขึ้นอย่างจอมปวกคือนหลังกาย ที่หูมันออกขึ้นอย่างไงใจของเขาออกทางตาไปเห็นรูปเกิดโมโหโทโสโกโท้ทาเกิดความรักความเกลียดความโกรธขึ้นมาอันนี้เปว่ากิเลตออกทางตาตาเห็นรูปแลนเขามาหาใจกันลงไปมาป้อนอาหารให้แก่ใจหูได้ยินเสียงกอนลงไปเออมันมีทางตาหูจมูกลิ้นกายเด้เออแลนออกทางหูหูได้ยินอย่างเงี้ยเกิดรักเกิดชอบเกิดโมโหโทษโศตคนดา ตะก่นบ่อมวนบ่อหวานกับเกิดหักขืนมากเกิดจิเลตล่าฆ่าโทสามโมหะเขามาหาใจอีกคานวเาเฮาเนีกินอาหารรส ด, ดีเอ่รสอร่อยวันอไปเฮาก็พ่อใจอีกคำว่าวกินรสเผ็ดรสจัดอีกที่มันวันถูกมันห่อนเฮาก็เครียดที่มันอีกบรพ่อใจวันออกไปตาหูจมูกเข่กันคานว่าะดมกินหอมเฮาก็พ่อใจคำว่าวดมกินเหม็นเฮาก็บปพอใจนี่แหละ เหี่ย er, ตัว น, นั้นมันออกไปหากินมันออกไปเ er หี่ยง่ายตัวนั้นอยู่ในในร่างกายของเขาเนี่ออกเดี๋ยวกับปวดรลดเราทั้งตาเดี๋ยวกับปวดรลดเราทั้งหูเดี๋ยวกับปวดโอดเรทาทั้ทงจมูกเดี๋ยวกับขาดลาด่าเราทั้งลิ้นเออแล้วก็าทาั้งกายทั้งกายคืออย่งางทั้งกายก็คื อ, ค, อความสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งห่อนหนาวเอออากาศอบอุน่นนอนงรับสบายเออจังสีเหล่ันออกไปมันก็พ่อใจวนันนั้นข่าหอาไฟมาเผ า, าห่อนวันนั้นไปบุกพ่อใจ เมื่อแตกเมื่ออะไรเมื่อถูล่นถูไล่ดิได้ไหนไปว่าเหี้ยออกไปหับไปรับท่างกายเขามาเหี้ยตอนน้ก็เหีย้ยเง่ตอนนีก็ทุกข์กว่าออ ก, ก, กไปนี่แหละให้เบิ้งอาจารย์ให้เบิ้องด้วยจับเหี้ยให้ได้เพื่อนเพื่นว่านี่แหละอันนี้ก็คือเน่นหน่อยสอนกันกว่าในว่าผูหน่อยผูเถ่าภูแก่กันว่าผู้ใดบ่เป็นธรรมให้ฟั่งผู้นั่นให้เชื่อถือผู้นั่นคือลักเหตุผล ขันว่าผู้นั้นย่งางโมท่านโมดกิเลสวันตุไปขันโมทกิเลสก็บาว่ากันแล้วเอพราะนั้นจะไปอ้างว่าตัวเองรู้ตัวเองฉลาดเอนักปาดขี่ขอกยังที่ว่าน่ะนะโม่รไรเด้ต้องคิดให้ดีเด้ตรงคอวอาทางนี้ทางนั้นว่าได้ดูถูกเหย็ดยามผู้อื่นวันไปให้เบิ้งเจ้าของพันไปให้เบิ้งเจ้าของพันไปเจ้าของ ม, มันมทกิเลสแต่ย่งขันโมท่านโมทกิเลสเลยยาไปทะนุกตน จะต้องเวียนไหวตายเกิดในวัฏรสงสารถึงจะฮู้กับฮู้แบบฮู้ๆป่าฮู้แบบงๆบบงๆหน่อยไปบอแมนฮู้แบบฉลาดเอยังพอพูดได้เจ้าให้ฮู้น่อไปนี่แหละคณนวาวะพวกเข้าได้ศึกษานะนําชาพ่องแก้วเนี่ยเขาศึกษารับไปพิจารณาเบิ้งเออใต้ตองเหตุและผลแม่นบอสิงนี่แม่นบมเออบางที่เขาเอาจะเขาอาจจะจําพิษมากกวได้เอเขาอาจจะปฏิบัติพิษมาก็ได้คณนวาวะมีผู้ที่ลูกว่า ฉลาดกว่าหลอกลูกกว่าเห็นแจ้งเห็นจิงกว่าม่แนะนําเฮาเฮากับถิ่มของเกา่าเฮากับรับเอาของใหม่เขมาม้าที่มันเป็นของดีวนลงไปคือกันกับพ่อข้าที่ฉลาดนั่นแหละขั้นพ่อข้าว่าชฉลาดพ่อข้าซื้อบือ้อไปไส้ก็เอาของเก่านะ่ะเคยไปซื้อฝ่ายก็ซื้อฝ่ายมากทั้งที่ราคาท่องขํามถูกๆเขาขายให้เขาขายเขาขายเล่หลังวนลงไปเขาขายเล่หลังในตลาดเขาขาย ไอ้ท่องถูกๆตัวเองเคยไปสื่อฝ่ายก็ไปซื่อฝ่ายนี่เละมาขายนี่ทั้งทีจะไปสื่อท่องมากขายวันนไปเอ้ยอันนี้คือ ก, กันนั่นแหละคันว่าพวกเข้าเป็นพวกค้าซื่อบือบุคคลจักเปลี่ยนแปลงกลายว่าจ่าใจของเจ้าของมันก็บ่ก้าวหน้าไปได้เพราะฉะนั้นพวกเข้าออกตนญาติโนมทุกท่านเนะ้อผู้บาอาจารย์ทุกองคนะ์เน้อที่เปรียบเทียบให้ฟังนี่ก็คือนี่แหละอการศึกษา นำท่าสร้ า, าซีถวยให้เสือพระพุทธเจ้าเสือพระธรรมเสือพระสงฆ์เสือในบาปุญคุณโทษนรกสวรรค์มีจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าที่เพิ่นจะปรินิพานพระอนุรุทธะเทระพระพุทธเจ้าปรินิพานในย่างยัง่งพระพุทธเจ้าอยู่ในชาตินั้นชาตินในอยู่เดียวนี่เพราะเหตุใดเพราะว่าเพิ่นรู้เด้เพิ่นมีชาติเด้ญาณทัศน์ที่ว่าระลึกชาติหนหลังได น, นั่นแหละญานเนี่ยรู้ไปมากไม่เลย อกานพวกเข้าบ่มีชาญบ่มีญานณเนี่ยพอออกนางยี่ทั้งผี่ไม่ออกนางยี่ทั้งพุ่นโทรศัพท์โทรจิตไปหาการหได้เข้าสิหูบ่บ่หูเพราเหตุใดเพราะมันบ่มีมันบ่มีชานมันบ่มีญานบ้ห้าตายแล้วจิตมีชาญมี่าณคือมาใดจังไดมันบ่มีและตายแล้วก็บ่มีคือเรานาะพขนาดจังมีชีวิตอยู่กับึก้นฮัดชานก็ยังบ่ได้แล้วจิตมีชานใดจังไรนี่แหละใครใครขั้วเข้าน่ะ ผลญาติโย้มให้สร้างสมบูบุญกุศลเอาไว้ย่าประมาทย่าตั้งอยู่ในอความทีโบดีความชัวใหเเ้เสื้อพระพุทธเจ้าเสื้อพระธรรมเสื้อพระสงฆ์เสื้อพ่อแม่คู่บาอาจารย์ไว้เชื้อศีลเสื้อธรรมเอาไว้เสื้อท่านพูรูเอาไว้เชื้อพระพุทธเจา้าที่พระพุทธเจา้าได้ตัดสรุรที่โคนตนโป้นเพือ่อตัดสรุรเรื่องอีหยงังเพื่อนั่งนั่งภาวน่าทรรจิตให้สงบธรรมจิตให้เป็นหนึ่งจนเกิดญาณทัศน์ะละลึกชาติคนลงังได อ่แล้วให้เข้าเสือจังสันเข้าอย่าไปเป็นนำชาติสามใบนั่นไงบันใบนำชาตความกลเนี่ยเฮเทนำชาติใส่ประไดมันก็บวเข่าเพราะเหตุใดเพราะเขาบวเชือเ่ยเปรียบเทียบควาคนบวเชือนำชาติถวยที่สองนำชาติกลนหัวได้ฟังอย่างมากกับบไดวีนิดวิเคาะลงไปฟังแล้วขวแล้วไปบวไดสนใจยังมันลงไปนำชาติถวยที่สามใส่ทิฏฐิมาณะเจ้าของตั้นมันลงไป ว่าเจ้าของหูเจ้าของฉลาดปาดเปืองว่าเไปแต่แท้มันบอท่านหูจริงเพราะเจ้าของยังบอท่านมดกิเลสให้ใจจิตใจเข้าต้องเป็นผู้พ่องมาอยู่เสมอถวยท่าที่ซีนั่นนะ่หละหัวเขา่าก็จะเป็นถวยท่าที่ซีาการกลองไตตองเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วมันบอเป็นถาเททิมไงยรับอีกฟังอีกไตตองบางอีกเอาหลักธรรมคำสัง่งสอนของพระแม่คุกบ่ายจาันมาทบมาท่วนมากันมากองมาเบิ้งแล้วเอออันนี้ถูกต้อง ที่พ de. says, ่อแม่ผู Hence, forward, ้บาอาจารย์บอกมากพระพุทธเจ้าพระไตรปิฎกเพ่นบอกมากเมื่อกลับไปในรูปนี่แหละเนี่ยคือการกับคนกินยาถูกโรคนั่นแหะมันหูด้วยตนเองเนี่ยคานาว่ามันถูกโลกมันหูดายตนเองไม่ต้องถามไพร์กันออกไปคัานว่ากินเข้าไปแล้วมันคือทุษทันทักมันบอดถือกับโลกนั่นแหะเข้าหูดาด้วยตนเองเพราะนั้นพวกเข้าลูกหลานออกตนวหยาดโยมนะน้องลงทั้งหลายฝระเนรทั้งหลาย สร้างสมคุณงามความดีเอาไว้ยาประมาทหลวงพ่อไปกราบหลวงปู่ทงว่านหลวงตาสร้างมาได้อินเดอร์คนนึ่งพวกเข้าอ่อนแอเลยหลวงตาวา่างเลยพวกท่านทั้งหลายอ่อนแอมากอ่อนแอห่วยมันแบนจะได้กุารย์เบิ่งๆหรืออ่อนแออิริได้หรอคนั้นพวกเข้าเข้เขแขมแข็งนั่นแหละบอกน้องบอกนุงบอกพี่บอกน้องของเขาเนะ่ะไอ้มุ่งมัน่นในศีลในธรรมไอ้สร้างสม คุณง่ามความดีไว้ยาประมาทนะตายแล้วบริสุท์ตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มีจริงบาปบุญคุณโทษมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้พวกเข้ายึดเป็นหลักเป็นที่พึ่งของเข้าเอาไว้ให้หาโหนทางเอาไว้จังที่พระพุทธเจ้าสอนพร่ำให้เข้าได้เตรียมพร้อมแล้ยย่งสเสบียงที่จะเดินทางต่อไปไพ่ภาคหนาเข้าอุ่นอกอุ่นใจเลยย่างในสเสบียงเดินทางของเขา้าอีกสักมือหนึ่งเข้าจะต้องรับวีซ่าไนดะ้จะเดินทางแน่นอน วัต้องสงสัยนะเมื่อนีหลวงพ่อบ่อยเป็นภาษาทั้งบานเข้าให้ฟังง่ายๆเป็นแนวความคิดขอคิดสำหรับพวกเข้าทัานทั้งหลายเนะเอาละการพูดการแสดงธรรมเมื่อนีก็เห็นว่าพ่อสมควรด้วยอำนาจคุ้นภาษีลัตราตรายพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์คุมข้องพวกเข้าให้ยูเย็นเป็นสุขปราถนาเสียงใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สาเร็จ สมความมุ่งมัดปราถนาทุกประการเถิด